โอกาสท่านพระเทรานุเถระมีท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์กวีเป็นต้นขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านซึ่งมีหม่อมราชวงศ์โคตสิทธิ์รังสิตเป็นต้นเป็นประธานในการบำเพ็ญ อุศอุทิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดราชรัชกาลที่9ในคืนนี้ซึ่งในคืนนี้ได้รับเกียรติจากผู้ที่อยู่ในสายสกุล ที่ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าเจงควรที่จะปรารบเรื่องนี้คือสายสกุลหลังสิทธิ์ซึ่งวันนี้มีหม่อมราชวงศ์โคตสิทธิ์หลังสิทธิ์ให้เกียรติมาร่วมบำเพ็ญกุศลในพระอุโบสถนี้ สเสด็จปู่เน่เมื่อกี้ได้สนทนากันสเสด็จปู่ของท่านหม่อมราชวงศ์โคตสิทธิ์นั้นเป็นผู้สำเร็จ ร, ราชาการแทนพระองค์ของราชาการที่เก้าเมื่อส่งขึ้นครองราชและ มีอันต้องเสด็จไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ 2,489 เจนกระทั่งมีพิธีบรมราชาพิเศษ 2,493 ในช่วงนี้เป็นช่วงพัฒนาตนเองของพระเจ้าอยหัวรัชกาลที่๙ กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่งเริ่มเรียนถ้าเรียนไม่จบเราก็อาจจะไม่ได้พระมหากษัตริย์ผู้มีอัจฉริยภาพอย่างที่เราได้เพราะว่าเป็นช่วงที่บ่มเพาะตนเองส่วนในเรื่องของการแบ่งเบาพระราชภาระ ในขณะที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของเสด็จปู่ที่กล่าวถึงก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุ์ศักรังสิตกรมพระยาชัยนาทนาเรนทรซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจแต่มาก็ปารบตรงนี้ไว้เผื่อจะได้ ฟังเรื่องราวต่อไปนะจากผู้ใกล้ชิดในวงไหนว่าในเหตุการณ์ช่วงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรในสมัยรัฐบาลผู้ยง่ายก็คือของจอมพลปพิบูลสงครามรัชการที่เก้าไม่ได้ขึ้นครองราชในยุคที่สถาบันกษัตริย์ลุ่งเรืองเหมือนสมัยนี้ส่งขึ้นครองราชในช่วงที่มีภาวะกดดันมาก จากรัฐบาลในขณะนั้นแต่ก็ได้อาศัยผู้สาเร็จรชาชการแทนพระองค์ได้ดูแลในช่วงนั้นทำให้พระองค์ได้ไปศึกษาต่อจนประสบความสาเร็จก่อนที่จะเสด็จครึ่งครองราชพระบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวรชาชการที่เก้า ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พอเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็คือยังไม่ได้รับการบรมราชาพิเศษเป็นแต่เพียงได้รับทูลเชิญให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ยังไม่มีเบอร์ที่วิธีบรมราชาพิเศษก็เสด็จไปศึกษาต่อ เปลี่ยนสายจากวิทยาศาสตร์เป็นศึกษาด้านสังคมศาสตร์นิติศาสตร์และลัฐศาสตร์ซึ่งคนที่ปูพื้นมาด้านสายวิทย์เนี่ยปกติจะมีความลำบากในการศึกษาในสายศิลปะซึ่งเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับภาษา แต่ความเป็นอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9าเนี่ยทำให้ทรงผสมผสานสายวิทย์กับสายศิลป์ในพระองค์เองได้อย่างกลมกลิ่นคนที่สามารถทำอย่างนี้ได้เนี่ยหาได้ยากเพราะว่าผู้ที่เก่งในสายวิทยาศาสตร์ มักจะไม่เชี่ยวชาญในสายศิลปะภาษาศาสนามันผสมกันไม่ได้ก็แปลกดีสายวิทย์จะเก่งคํานวณเก่งคณิตศาสตร์สายศิลป์จะเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องศาสนาเรื่องความละเอียดอ่อนรวมถึงศิลปะ ที่เรียกเป็นอาร์ตแต่ปรากฏว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมีไม่มีไม่กี่คนละที่จะเก่งทั้งสองด้านหนึ่งในนั้นก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีใครไปที่พิพิธภัณฑ์ลลูฟที่กรุงปารีสก็จะต้องไปดูภาพโมนาลิซา ไปที่อิตาลีหรือที่ใดก็ตามก็จะไปดูรูปแกะสลักรูปปัน้นรวมถึงที่วาติกันภาพวาดชั้นหนึ่งระดับคลาสสิกของเลโอนาร์โดดาวินชีแล้วเราก็มาค้นพบหนังสือที่เป็นสเก็ตประดิษฐกรรม ของเรียวนาโดดาวินชีอย่างเช่นเครื่องบินเครื่องล่อนการผลิตอาวุธรวมถึงเครื่องจักรต่างๆอัศจรรย์มากทาไมคนคนเดียวกันเนี่ยมันเก่งทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านศิลปะเขาจึงเรียก คนอย่างนี้ว่าอัจฉริยะบุคคลเป็นจีเนียสที่ผสมผสานทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ศาสนาไว้ในตัวคนคนเดียวกันได้อย่างกลมกลืนและทำได้ดีทั้งสองด้านสังคมไทยก็มีโอกาสโชคดีได้พบอัจฉริยะบุคคลในเจเนเรชันในยุคของพวกเรา ใครเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายไหนเนี่ยก็จะไม่ก็ต้องยอมรับว่าพระเจ้าอยหัวรลัชการที่เก้าเนี่ยเป็นสุดยอดในเรื่องนั้นๆดังที่เราได้เห็นการจดสิทธิบัตรกังหันน้ำชัยพัฒนาเรื่องฝนหลวง เรื่องเกษตรเรื่องทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยกับอีกด้านหนึ่งเรื่องเป็นองค์อัครศิลปินเรื่องดนตรีและแม้กระทั่งเรื่องศาสนาทรงปฏิบัติธรรมสนใจเรื่องพระศาสนา พระราชนิพนธ์เรื่องมหาชนกนี่สุดยอดในวงการพระศาสนาต้องยอมรับสุดยอดแปลมาจากภาษาบาลีต้นฉบับยาวมากในภาษาบาลีแปลแล้วคนก็อ่านยากทรงถอดออกมาเป็นภาษาไทยที่ไพเราะแล้วทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยได้อ่านไพเราะทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทย ภาษาไทยจะหาคนที่สุดยอดในสองสายอยู่ในคนคนเดียวเนี่ยยากมากในโลกนี้นะเราจึงเรียกว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลแต่บางคนเนี่ยก็เก่งจริงทั้งสองด้านเหมือนกันแต่มันรวมกันไม่ได้เหมือนเข้าทรงอะ่ะ แต่ละปางมันทำได้คนละอย่างพอทำวิทยาศาสตร์ก็บกวิทยาศาสตร์ก็เก่งเหมือนกันพอหันมาสนใจศาสนาเขาก็สนใจศาสนากลายเป็นศาสนาไสายศาสตร์ไปก็มีไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะบางคนในเมืองไทยเนะี่ยนักวิทยาศาสตร์พอมาสนใจเรื่องศาสนาเพียเพ้ยนๆเลย แต่พระเจ้าอยู่หัวราชการที่กล้าเมื่อมาสนใจพระศาสนาปฏิบัติธรรมก็ดาเนินตามหลักทำถูกต้องทุกประการกลมเกินกับหลักวิทยาศาสตร์กลมกกลมเ ก, น ก, มเกินกับด้านอื่นๆเราเรียกลักษณะอย่างนี้ว่าเป็น บูรณาการมันไปเหนือการแบ่งเป็นสายเป็น i ินท g เ a t ช o n เชื่อมประสานกันได้ในคนคนเดียวเนี่ยมันสามารถเชื่อมประสานกันอย่างสนิทยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่เรารู้จักกันดีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเวลาไปถามนักเศรษฐศาสตร์ เขาก็คิดแบบหนึ่งไปถามนักศาสนาก็คิดเรื่องนี้แบบหนึ่งมันจึงหาคนเข้าใจยาก ấy. เพราะว่าปรัช ญ, ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเวลาเราไปถามนักเศรษฐศาสตร์ว่าเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์คืออะไรเศรษศาสตร์ก็คือศาสตร์ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด มาผลิตเป็นสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอย่างไม่จำกัด definition มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์ทั่วไปนี่ก็แข่งขันไงผลิตสินค้าและบริการเน้นบริโภคนิยมกระตุ้นความโลภเพื่อให้คนซื้อสินค้า ผู้ผลิตจะได้รวยเศรษฐศาสาตร์จะเป็นอย่างนั้นระบบเศรษฐศาสาตร์ทั่วโลกเป็นอย่างนั้นมุ่งผลิตมุ่งขายมุ่งแข่งแย่งแข่งขันจนมหาตรมารมคันธีบอกว่าโลกนี้มีทรัพยากรมากมายพอที่จะสนองความต้องการของมนุษย์ แต่ไม่มากพอที่จะสนองความโลภของมนุษย์โลภคือไม่รู้จักพอผลิตอะไรออกไปก็กระตุ้นให้เกิดความโลภแก่งแย่งแข่งขันเอาเป็นเอาตายเป็นระบบเศรษฐศาสตร์ที่คลองโลกเป็นทุนนิยมเป็นบริโภคนิยมอยู่ในปัจจุบัน แล้วก็เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัส ว, ว่านัตติตันหาสมานาทีแม่น้ำที่เสมอด้วยตันหาไม่มีแม่น้ำยังมีวันเต็มฝั่งแต่สู้ตันหาไม่ได้มันไม่เคยเต็มและบังเอิญเศรษศาสตร์ของโลกปัจจุบันมันไปกระตุ้นตันหากระตุ้นความโลภความไม่รู้จักพอมันเป็นอย่างนี้ทั้งหมด แล้วอยู่อยู่พระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าบอกเป็นเศรษฐศาสตร์ที่สอนให้รู้จักคอพอเพียงมันสวนกระแสสวนกระแสของวิทยาศาสตรอ์อของเศรษฐศาสตร์ของโลกที่กระตุ้นความโลภเศรษฐศาสตร์ของ พระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก่าสอนให้ควบคุมความโลภสอนให้รู้จักพอเพียงใครขาดให้ช่วยเติมให้เขาให้เต็มเมื่อเต็มให้รู้จักคำว่าพอล้นมีเกินให้รู้จักแบ่งปันโลกนี้มันจะน่าอยู่นะเอาธรรมะเข้าไปในเศรษฐศาสตร์ และพูดกับนักเสียาสาร์ได้รู้เรื่องพระพูดแล้วเขาไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเราไม่รู้เสียาสาร์แต่พระเจ้าอยู่หัวพูดรู้เรื่องจนสหประชาชาติรับรองยอมรับถวายรางวัลเรื่องการพัฒนามนุษย์ให้พระองค์ทางภูตานนำไปพัฒนาเป็น GNH Cross National Happiness ความสุขมวลรวมของประเทศ เป็นเป้าหมายของการพัฒนาไม่ใช่ GNP cross national product ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเพราะฉะนั้นกษัตริย์จิกมีเนี่ยจึงรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ที่พระองค์จึงเสด็จมายูเอ็นชื่นชมเศรษฐศาสตร์แนว ของประเทศไทยที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยเขาเรียกเป็นแชมเปี้ยนนำเสนอบวกกับ G.N.H. ผลิตภความสุขมวลรวมของประเทศของภูตานกลายเป็นเศรษฐศาสตร์กระแสะใหม่ที่สหประชาชาติต้องการโปรโมตส่งเสริมสนับสนุนเพราะฉะนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สวรคตดเนี่ยสหประชาชาติสงบนิ่งไว้อะไรหนึ่งไว้อะไรพระองคอ์เป็นบุคคลระดับโลกนขนำลังประชุม General Assembly หรืออะไรก็ไม่ทราบแต่ทางประชาชาติก็แล้วกันกำลังสรรหาเลขาธิการคนใหม่ประธานที่ประชุมบอกหยุดนิ่งไว้อะไรแดคิงภูมิพล ที่ทรงเป็นผู้นำในการเสนอแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวใหม่เพื่อความสุขของประชาชนในโลกนำเอาสิ่งที่มันไม่น่าผสมกันเหมือนน้ำกับน้ามันเน่เศรษฐศาสตร์มันอยู่สายความโลภตามลัทธิเศรษฐศาสตร์ของชาวโลกมาผสมกับธรรมะแล้วไม่ใช่ว่าธรรมะเป็นน้ำมันที่ลอยอยู่บนเหนือน้ำนะ กมกลืนผสมผสานกันถือว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยนะที่เราได้พระเจ้าอยู่หัวอย่างนี้ทรงนำทรงผสมผสานบุรณาการแนวคิดสองสายเนี่ยประทานพระราชทานเอาไว้แก่สังคมไทยเพียงแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นไก่ได้พลอยหรือเปล่าเท่านั้น จะนำเอามาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมไหมในเมื่อระดับโลกนี้เขาเห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นวาระที่เรามาบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระองค์ท่านก็เป็นวาระที่จะได้ศึกษาคำสอนพระบรมราโชวาทปรัชญาธรรมต่างๆขบคิดเพื่อรักษามรดกธรรมมรดกของแห่งชาติที่พระองค์ได้ฝากไว้ เพื่อให้ประเทศไทยของเราได้พัฒนาต่อไปสมกับที่พระองค์ได้พาประเทศชาติพัฒนามาเจปีเหนื่อยยากมากๆทิ้งมรดกเอาไว้วมากมายเราต้องรักษามรดกอนันไว้แล้วก็พาประเทศไทยให้เจริญต่อไปมิฉะนั้นพระองค์ก็จะเหนื่อยมากในยามที่ทรงพระชนชีพอยู่เหนื่อยแล้วจากไปแล้ว ถ้าอยู่บนสวรรค์ก็จะเสียใจอีกลูกหลานมันรักษามรดกไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นวาระที่เราปารภธรรมเกิดความไม่ประมาทช่วยกันคนละไม้คนละมือสารต่อพระราชบริธานของพระองค์ท่านฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันตั้งกรรยานจิตอธิษฐาน อ้างคุณพระีรัตนตรัยบารมีแห่งพระประธานในพระอุโบสถและคุณบุญกุศลมหาศาลที่เราได้บาเพ็ญร่วมกันนี้จงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมมนธรรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ขอได้โปรดอนุโมทนาบุญ เพื่อเพิ่มบา ร, รมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปในสุขติสัมปรายภพสมจังเกปนาปารพของเราท่านทั้งหลายทุกประการเทิน